รุนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณซึ่งมีเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้ถึงตีห้าครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนะคะเป็นรายการธรรมะดีๆที่เราจะนำท่านผู้ฟังมาได้รับฟังเขาเรียกว่าในช่วงเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นเรื่องของการสนทนาธรรมหรือสารกชานะคะ เช้าวันนี้เป็นชาววันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนะคะเผอนิดเดียวเท่านั้นเองก็เลยครึ่งเดือนกันมาแล้วนะค ะ, ะวันนี้เป็นวันแรมสี่ข้ามเดือน11ค่ะก็คิดว่าเข้าสู่ช่วงของเทศกาลเรยกว่าจะทอดกระถินอะไรต่างๆกันแล้วก็คิดว่าคงจะมีผู้สสะสนิกชนชาวไทยเราเป็นจำนวนมากทีเดียวที่กำลังเตรียมการอย่างน้อยก็คงจะได้ไปทำบุญทาทานแล้วก็ทอดกรินกันในช่วงที่ออกพรรษานี้นะคะ เรียนนิดนึงว่าสําหรับการทอดกรินของวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งเราได้กราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิบุนโนซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์เอกของท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดธิตพัโสนั้นเนี่ยก็จะจัดทอดกรินกันในวันปิยมหาราชคือวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2554นะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญชวนกันล่วงหน้าเลยค่ะท่านผู้ใดยอยากจะมาร่วมกันทําบุญนะคะ แล้วก็ส่งเสริมพระศาสนาในว่าที่มีพระสงฆ์จําพรรษาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเริ่มใส่ศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนั้นก็เรินเชิญกันได้เลยนะคะในวันอาทิตย์ที่23สุราคมศกนี้ค่ะค่ะตอนนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังนะคะมาะกราบน้มัสการพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโนกันเลยนะคะซึ่งท่านก็จะมีตา ม, มาสาักัชาหรือสนทนาธรรมมกันอีกครั้งหนึ่งในรายการของเราในเช้าวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขะเชิญพานสาธุเจ้าค่ะ เชาววันอาทิตย์นี้นะเจ้าคะหลังจากที่เราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมไปเมื่อวานนี้นะเจ้าคะก็อาจจะมีประเด็นที่มีทั้งผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านก็อาจจะฟังแล้วได้สติดีอย่างยิ่งเลยในการที่จ ะ, ะช่วยให้เราเนี่ยฟันฝ่าไปจากอุปสรรคที่กําลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนความทุกข์ของประเทศชาตินะเจ้าคะใช่ใชยมมีนิดอยากจะขอให้พระอาจารย์ต่อนะเจ้าคะ อจากเมื่อวานนี้ขอแถมนิดเถอดเจ้าคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของค น, น, วคนทวี่นะเจ้าคะ่ะเรียกว่าเ อ, อขณะ น, นี้เ อ, อเพื่อนๆตกทุกข์กได้ยากอยู่นะเจ้าคะ่ะเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของการอา ม, มารบกวน ร, ระบบข้อมูลข่าวสารสร้างข่าวลือขึ้นมาโผเปิดมีดอย่างเนี้ยเจ้าคะ่ะแต่โยมอยากช้า ว, วันนี้อยากขอพูดอีกประเด็นหนึ่งเจ้าค่ะก็คือเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนร่วมชาติเราเนี่ยนะเจ้าคะ่ะเ อ, อ เท่าที่ยมอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการของรัฐบาลที่ดอนเมืองเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งเจ้าค่ะที่เรียกว่าประชาชนเนี่ยเราขอร้องให้ออกจากพื้นที่น้ําท่วมนะเจ้าคะ uh huh. ่ะประชาชนก็จะบางท่านเนี่ยเจ้าค่ะจะไม่ค่อยยอมออก hmm. เป็นเพราะว่าห่วงสิ่งข้าของในบ้าน oh. อะไรเจ้าคะเพราะมีคนที่จิตจเจ้่ะต่ำมากๆ ม, <Right. S 2> มาคอยลักขโมยอะไรต่างๆเจ้าค่ะ hmm. ยกอยากจะขอให้พระอาจารย์ติบุ ได้ช่วยพูดนี้เถอะเจ้าค่ะเพื่อจะเตือนสติพวกบรรดามิจฉาชีพทั้งหลายเนี่ยที่บาปเหลือเกินเรียกว่าบาปหลเทนะเ้าค่ะขโมยปกติก็บาปอยู่แล้วโยมนะคะแันนี้เป็นระพันตกยากนะขนานี้นิยมอยากขอพระอาจารย์ช่วยบอกเลยเจ้าค่ะว่าเกิดชาติหน้าจะไปเป็นอะไรหรือชาตินี้ได้ดับอันนี้สงอะไรคะหรือว่าจะเลือกทําเจ้าค่ะคนคนที่เขาอคิดไม่ดีอะคุณเตือนใจคนบาปเนี่ยนะ เขาจะมาอะไรฟังรายการธรรมะแล้วบุญไหมล่ะอย่างน้อยก็ใหญาติพี่น้องเขาฟังก็คือว่าคือแน่นอนทําไม่ดีเนี่ยมันต้องมันต้องได้บาปนะคือมันเป็นกรรมอ่ะเจ้าค่ะเป็นกรรมที่เขาจะต้องได้รับนะไอเวลาที่เราสร้างเจตนาที่ไม่ดีใช่ไหมอย่างจะไปขโมยของเนี่ยนะมันเป็นเจตนาที่ไม่ดีอยู่แล้วนะจะต้องได้รับผลของกรรม นะคือคุณจะไม่ไม่สามารถหาซับได้อะนะมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาอยู่แล้วที่ที่คนเนี่ยเขาจะต้องทราบนะคนหนาหนาเนี่ยเขาก็จะไม่ทราบใช่ไหมไม่ทราบทําไงเอาเราต้องให้เขาฟังทำนะเขาจะมาฟังทำได้เนี่ยเขาจะต้องมีศรัทธา <Okay. S 1> นะคนจะไม่มีศรัทธาได้เนี่ยมันต้อง <Okay. S 1> ค่อยๆปลูกฝังศรัทธาให้ให้เขาปลูกฝังมาพ่อแม่เขาปลูกฝังไหมตัวเขามีเพื่อนดีหรือเพื่อนชั่วอย่างนี้นะ คือมันอย่างคนที่น้ําท่วมอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นกรรมของฉันฉันต้องมาตกน้ําท่วมมันไม่แน่ไม่แน่แตนะว่าอาจจะไม่ใช่กรรมก็ได้อาจจะเป็นแค่แค่กระแสะที่กระแสะน้ําที่มันมานะคือเรื่องของกรรมเนี่ยเราต้องพูดให้ชัดเจนว่าความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ต่างหากเนี่ยเป็นกรรมเก่าที่เราจะต้องรับนะพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อะนะคุณเตือนใจว่าไอ้ความสุขหรือความทุกข์ที่เรา เกิดขึ้นกับเราตอนนี้เนี่ยเป็นผลจากกรรมเก่าอย่างเดียวไม่ใช่อย่าเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราณปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นผลของกรรมเก่าก็ได้อาจจะเป็นผลของการเตรียมตัวไม่ดีก็ได้อาจจะเป็นผลของดินฟ้าอากาศก็ได้นะอาจจะเป็นผลของการเตรียมกายไม่สม่ำเสมอก็มีอาจจะเป็นผลของโรคที่เกิดขึ้นก็ได้ไม่แน่นะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปฟันทวงว่าอันนี้เป็นกรรมของฉันฉันต้องก้มหน้ารับกรรมมันไม่ใช่ นะเราแก้ไปตามสถานการณ์แก้ไปตามสถานการณ์ถ้ามีโจรขโมยชุกชุมในที่นั้นเอาก็คอยเฝ้าระมัดระวังกันอาจจะออกจากพื้นที่บางส่วนอาจจะมีอยู่บางส่วนก็ค่อยๆแก้ไปนะคนที่จะมีความคิดอย่างนี้ได้แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้จิตคุณต้องต้องสบายจิตคุณต้องเบาจิตคุณต้องไม่มีภาระอย่างี้นะคือจิตเป็นสมาธิวางกันเถอะ ไม่ใช่หมายความว่าต้องมานั่งหลับตาดูหนังตานะแต่ว่าจิตเราต้องต้องอให้มีสมาธิอย่าไปกังวลเรื่องต่างๆ่างอย่าให้ไหลไปตามกระแสคิดพิจารณาให้รอบคอบอย่างเงี้ยอืเราจะค่อยๆแก้ได้โจรขโมยเนี่ยมันก็จะต้องจับต้องไปคอยระวังเขาแน่ละ่ะแต่ถ้าเขามาฟังรายการธรรมะก็จะดีต่อเขาแต่ถ้าเขากลับตัวได้ แ, แทนที่จะมาเป็นขโมยออกมาเป็นช่วยคนช่วยระวังขโมยนั้นยิ่งจะเป็นการดี อก็คงนนะต้องช่วยช่วยกันอ่ะต้องช่วยช่วยกันแก้ไขกันไปตามเหตุทําใจให้สบายเพราะถ้าเราไปกังวลมากเนี่ยเราจะคิดไม่ออกว่าจะแก้ยังไงเนอะทางเจ้าหน้าที่ที่มืดแปดด้านไปนะจ๊ะมืดแปด้านแนะ่แล้วทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่เนี่ยเราก็อย่าไปเครียดแค้นไม่พอใจเขานะมันเป็นธรรมดาของโลกว่ามันจะต้องมีคนขโมยคนดีมีคนไม่ดีก็มี นะเราค่อยๆแก้ไปอย่าไปเครียดแค้นเขาอย่าไปเอากรำชั่วของเขาเนี่ยมาเป็นก ร, รมชั่วของเราคือหมายความว่าถ้าเขาทําไม่ดีใช่ไหมถ้าเรามีความคิดพยาบาทกับเขาเนี่ยแตะผิดเลยจิตเรามองไปด้วยนะคือคุณแบ่งแบ่งบาปเข้ามาแล้วเจ้าคนึกออกไหมคือถ้าเขาทําดีนะเรา ค, คิดดีกับเขาอเออดีแล้วคุณทําดีเราแบ่งบุญเข้ามาแต่ถ้าเขาทําไม่ดีแล้วเราไปคิดประนามเขาด่าเขาอีกโอ้ยนนี้คุณแบ่งบาปมาอ่า เราก็อย่ายให้จิตของเราเป็นอย่างนั้นอย่ายให้จิตของเราเป็นอย่างนั้นเราก็คิดดีกับทุกคนคนไม่ดีทําไงเราต้องคอยระวังเขาคนดีทําไงเราต้องคอยช่วยเหลือเขาแค่นั้นเองนะคิดไปตามเหตุตามผลอย่างเนี้ย น, น ะ, จ ะ, ะใจเราจะสบายเจ้าค่ะเจ้ค่ะก็เรี <c oughs> ยกว่าต้องทําจิตของเราให้มีกําลังใช่ไหมเจ้าคะใช่เหมือนอย่างที่ในหลวงว่าแหละว่าไม่ใช่ว่าเราจะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้หมดใช่ไหมเราก็ค่อยเอาคนดีมาดูแลคนไม่ดีก็แล้วกันเจ้าค่ะ ก็คือไม่ให้คนดีนี่ขึ้นมามีอํานาจหรือมาทําอะไรต่อไปนะเจ้าคะ อ, าอันนั้นก็ที่โยมกรุณากราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลณนะี่ยพปุณโณในรายการธรรมารารุณจนพระอาจารย์หัวเราะเนี่ยเจ้าค่ะว่าเอ๊ะพวกวิจาชีพคงจะไม่ฟังรายการธรรมะของเราโ <c oughs> ยมก็คิดว่าคงจะมีหลายคนเหมือนกันเจ้าคะ่ะที่คอยฟังอยู่เพื่อจะฟังข่าวคราวงเจ้าคะ่ะ อ, อ, อาจจะฟังว่าเอ๊ะตรงนี้ตรงไหนแย่มากมาก จะเข้าไปอย่างนี้เจ้าคะโยมก็หวังว่าคงจะให้สติเขาได้บ้างเจ้าค่ะเ จ, จ, จ้าค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการที่จะให้กำลังใจแก่ท่านผู้ฟังที่ที่กำลังตกอยู่ในภาวะเขาเรียกว่าเป็นอุทกภัยอันซึ่งคิดว่าร้ายแรงที่สุดมีครอบคลุมจังหวัดเรียกว่ามากที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ของชาติเราเคยเคยบันทึกไว้นะเจ้าค่ะ อ, อีกประเด็นหนึ่งที่โยมอยากจะขออนุ ญ, ญาตที่จะกราบในมรสการเรียนถามพระอาจารย์ปิรณอภิปุโนก็คือเรื่องของ อาจผลบุญที่จะมีสําหรับคนที่เต็มใจที่จะช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครตามที่ต่างๆโดยที่ไม่ได้หวังสินจ้างรางวัลอะไรต่างๆแต่เต็มใจที่จะมาช่วยเพื่อล่วมชาติเนี่ยเจ้าค่ะ<อ>พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าอย่างไรบ้างเจ้าคะสำหรับคนพวกนี้เจ้าค่ะได้ผลบุญอะไรบ้างเจ้าคะ ไ, ได้แน่นอนคือเรื่องของการให้ทานจะมาการให้ทานเนี่ยจะด้วยให้ด้วยข้าวด้วยน้ําของหอมเครื่องรูปไล่ลูกทาหรือว่าให้ด้วยแรงกายพวกนี้ถือว่าให้ทานหมด นะเป็นการให้ทานก็เป็นหนึ่ใน3มอย่างที่ทําให้เกิดบุญได้พรนะพุทธเจ้ายังพูดถึงแค่การที่เอาเอาเอ า, เ อ, าอย่างเช่นเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมมีอะไรเหลือในจานไม่มากเนี่ยเราจะล้างจานเนี่ยแล้วก็เทเศษน้ําล้างหม้อลงไปเนี่ยในพื้นที่น้ําตมบ่อ น, น้ําตมอย่างนี้น ะ, ะเพื่อหวังว่าตัวอะไรที่อยู่เล็กๆเนี่ย<ๆ>มันจะได้กินแล้วมันจะได้สบายบ้างเนี่ยแค่นี้ยังเป็นทางมาแห่งบุญนะคือเศษของที่มไม่ดี แล้วก็ให้สัตว์เดรัจฉานนี่ยังได้บุญเลยคุณตื่นใจนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังพูดถึงว่านับภาษาอะไรกับมนุษย์ด้วยกันนะให้มนุษย์เนี่ยยิ่งได้บุญมากกว่าให้สัตว์เดรัจฉานนะให้คนที่มีศีลก็ยังได้บุญมากกว่าคนทุศีลนะให้สมณะที่มีศีลมากขึ้นมาก็ยิ่งได้บุญมากกว่าให้สมณะที่เป็นโสตาบานันสกิทาขามีอะไรก็ไล่กันไปตามลําดับนะเพราะฉะนั้นช่วยคนที่ มนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็จะได้บุญแน่อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่แน่นอนอแน่นอนหละเพราะว่าอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยเนี่ยอันดับแรกที่จะเกิดขึ้นเลยนะอันดับแรกคือจิตของเราเนี่ยจะสบายเราจะสบายใจนะอย่างน้อยเราได้แก้ปัญหาที่คนอื่นเขามีปัญหาใช่ไหมคุณบริจาคเงินอาวคนเขาได้กินข้าวอิ่มท้องไปวันหนึ่งอ่าดีละคุณสบายใจคุณมาช่วยลงแรงอาว คนอื่นก็จะได้รับผ ล, ลบุญตรงนี้เอเราก็สบายใจอย่างเงี้ยมันได้บุญแน่นอนไม่มีข้อ น, นี้ไม่ใช่คําถามเลย ค, คือเขาจะสบายใจได้หรือว่าเขาสร้างบุญแน่เอจค่ะทีนี้ต้องต้องระวังสร้างบุญแล้วก็ยังช่วยเพื่อร่วมชาตินะเจ้าค่ะใช่ใช่ตรงนี้มันต้องระวังนิดหนึ่งคือเรื่องการทําจิตทีนี้คนที่มาช่วยกันมากๆมันก็จะมีการ กระทบกระทั่งกันบ้างมีการเข้าใจถูกบ้างเข้าใจผิดบ้างอย่างเงี้ยนะเราจะทําจิตยังไงในสถานการณ์นี้ที่จะต้องเพิ่มเติมให้กับผู้ที่มาช่วยเหลือกันอย่างบางคนถวายาให้เงินอย่างเงี้ยให้เงินมาหลายๆล้านเพื่อที่จะไปะช่วยสถานการณ์อาจจะมีข่าวลือบอกโอ๊ยอันนี้โกงอันนั่นโกงนั้นเราจะทําจิตยังไงก็สําหรับผู้ให้น ะ, ะ, ะผู้ให้ควรจะทําจิตยังไงว่าเอไม่ให้บุญของเรามันลดลงไปแต่ถ้าคุณมีความกังขาตรงเนี้ยบุญคุณจะลดลงไปทันที อย่าคิดอย่างนั้นหรือว่าคนที่ลงแรงเนี่ยมาช่วยแรงช่วยแบกกระสอบกระสอบข้าวไอกสอบอะไรนะมันเตือใจกระสอบทรายใช่ไหมทรายเจ้าค่ะกระสอบทรายบ้างข้าวแล้วก็พวกเจ้าค่ะถุงยังทีปต่างๆซึ่งโยมเคยไปแจกมีข้าวด้วยก็จะหนักนิดนึงนะเจ้าค่ะซึ่งเขาก็จะต้องอมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะจ่ายแจกจ่ายไปไม่ทั่วถึงบ้างมีเหตุการณ์อะไรคุณต้องทําใจให้ดีนะเพื่อบุญของเราจะได้บุญเต็ม เนะพราะเมื่อไหร่ที่เรามีความโกรธความเครียดแค้นความไม่พอใจความอิจฉาริษยาเธอได้มากฉันได้น้อยโอ้ยมันจะเป็นทางให้มานได้ช่องมานเนี่ยมันจะเอาช่อง<จ>ทางไม่เอาทางตาก็าทางหูจมูกลิ้นไกายหรือใจเราใ ห, ให้ให้กุศนลธรรมของเราเนี่ยลดลงไปนะถ้าคุณมาช่วยแล้วคุณมาทําแล้วเนี่ยนะเราต้องได้บุญเต็มนะอย่าให้อักุศนธรรมเก<จ>ิดขึ้นในจิตของเราให้ให้มันแปดเปื้อนจิตของเราให้บุญเราได้ไม่เต็มอย่าให้เป็นอย่างนั้น ค, คนรับก็เหมือนกันถ้าเรารับแล้วก็มีความคิดว่าอ๊ยอันนี้ฉันไม่ต้องการทำไมเธอเอาอันนี้มาให้ฉันดินสอไม่เอาจะเอาน้ำเปล่าน้ำดื่มไม่มีมีแต่น้ำอะไรมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเราแค่ควรจะมารู้สึกถึงความที่เขามาช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีละนะเราจะทำยังไงให้เรามีความอดทนให้เราอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายมีอะไรก็อยู่ได้เลี้ยงได้อย่างพระเนี่ยไปบินธบาตมีอะไรก็กินอย่างานั้นจบ นะพาก็มีสองสามผืนก็เลี้ยงง่ายอย่างเนี้ยเป็นคนดีนะเราเป็นผู้ที่ประสบภัยเราต้องทำตัวให้เลี้ยงง่ายนี่ก็ประเด็นหนึ่งที่เขาจะต้องอควรจะต้องรู้เอาไว้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะและอีกประเด็นหนึ่งที่โยมอยากจะข อ, อะความเมตตาที่จะหยิบยกมาสักจ์หรือว่าสนทานาธรรมกับพระอาจารย์ตบุญอภิปุโ น, โนในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ ะ, ะก็คือเรื่องของการที่ อ, อย่างเช่นเมื่อเมื่อตอนที่แล้วคือเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์พูดถึงพระอาจารย์พูดถึงทางประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าคะ่ะที่เขาโดนภัยสีนามิใช่แล้วโยมก็นึกถึงตรงนี้เจ้าค่ะว่าคนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยทั่วโลกเนี่ยที่ดูข่าวอยู่เนี่ยจะชื่นชมคนญี่ปุ่นอย่างมากในการที่เขามีสติเจ้าค่ะที่จะไม่<ห>เขาเรียกว่าไม่ไม่ตื่นตระหนกไม่แพนิกแล้วก็ในการที่จะรับของต่างๆที่บริจาคนี่ก็ยืนเข้าคิวกัน เรียกว่าเรียบร้อยมากเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีเรื่องของซูเนมิอย่างเดียวนะเจ้าคะมีเรื่องที่ว่ากรรมฐานภาพรังสีอะไรต่างๆออกมาด้วยซึ่งโยมคิดว่าหนักหนามากเลยในเมื่อเขาทําอย่างนั้นเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าจะเป็นข้อคิดอะไรที่จะนํามาให้คนไทยเราได้สติกันบ้างเจ้าคะในกรณีนี้ที่คนญี่ปุ่นเขาทําแบบนี้เจ้าคะอันนี้เราเอามาจับกับธรรมะเราแล้วเป็นอะไรเจ้าคะอันนี้แน่นอนว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดี เเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แล้วก็ยังสามารถควบคุมจิตไม่ให้กระฟัดกระฟีดนะไม่ให้รับให้คร่ำครวญอย่างนั้นได้เราก็จะต้องทำจิตโดยการที่ให้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ไนดะ้หรือว่าฝึกจิตของเราเนี่ยให้อยู่ในบริเวณที่เป็นบวกนะให้อยู่ในแดนบวกให้ควบคุมได้อย่าใส่ร้ายกันอย่าว่ากันอย่าด่ากันอย่างเงี้ยมีอะไรก็ค่อยๆคิดค่อยๆ ไปยังญี่ปุ่นเนี่ยเขายังโชคดีตรงที่ว่าเขาเจอสถานการณ์นี้มาอยู่เรื่อยๆนะเขาก็มีการเตรียมรับมือมีการฝึกเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วคนร่วมชาติอย่างเงี้ยโดนหลายครั้งใช่ไหมสำหรับคนไทยเราอาจจะยังเพิ่งจะ ย, ยังไม่เคยโดนบ่อยๆนะมันจะต้องมีการกระแทกบ้างฝึกบ้างแล้วมาถึงบอกเมื่อวานเนี่ยว่าคุณธรรมตรงเนี้ยเราจะต้องได้รับการทดสอบซ้ําแล้วซ้าเล่า นะความมีสติความสามัคคีการความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมันจะต้องโดนทดสอบซ้าแล้วซ้าเล่านะเพื่อที่ให้เราเนี่ย อ, อยู่ได้ให้เราทรงจิตอยู่ได้ในแดนบวกสบายใจอยู่ได้เป็นคนดีของสังคมอยู่ได้นะมันเราก็ทดสอบครั้งนี้ไม่ผ่านเอาไมนะก็ทดสอบกันไปเรื่อยๆาอ่าคันเถอะให้สบายใจเจ้าค่ะ สำหรับในเช้าวันนี้นะเจ้าคะอ า, อาจจะมีเวลาเหลืออยู่อีกไม่ไม่มากเท่าไหร่โ ย, ยมก็เลยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ที่จะให้ฝากกติธรรมตอนท้ายสักนิดนึงนะเจ้าคะที่จะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านาทั้งที่กํากลังประชิญอยู่นะเจ้าคะาประชิญเรียกว่าภัยพิบัติในขณะ น, นี้น้ำท่วมอาจจะต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ของตัวเองหรือว่าอาจจะต้องสูญเสีย บางท่านชั่วร้ายก็สูญเสียคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะสูญเสียบ้านที่พักอาศัยของตัวเองที่น้ำพักน้ำแรงสร้างมานะเจ้าคะ่ะว่าควรจะสรุปยอดแล้วเนี่ยจะวางสติเราไว้อย่างไรนะเจ้าคะขอกราบยินดีเจ้าคะ่ะอันนี้เป็นเรื่องประเด็นที่ยังไม่ได้พูดถึงเมื่อวานแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมใหเ้เพิ่มขึ้นในวันนี้ก็คือว่าเราต้องใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในการที่จะฝึกจิตของเราเลยนะให้เห็นในความไม่เที่ยง ความที่สั ง, สงขารทั้งหลายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะอยู่ดูดูสิว่าบ้านเราเนี่ยไม่เคยท่วมเลยมันย่างท่วมได้นะเพียงไม่กี่ชั่วโมงอันนี้ยังเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นอ่นถ้ายิ่งพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยพระเจ้าเคยพูดถึงขุนเขาซินเยรุเนี่ยที่สูง 84,000 ยอดนั้นนะลึกลงไปในน้ําทะเลอ 84,000 ยอดเนี่ยยังถลม่มทลายลงมาได้นะ ถูกไฟเผามีดวงอาทิตย์เกิดขึ้นหนึ่งดวงสองดวงน้ำทะเลนี่ไม่เหลือเลยหรือว่าน้ำท่วมขึ้นมาชนิดที่ว่าโลกทั้งโลกน้าท่วมก็มีอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เ, เลยในโลกนี้นะเปลี่ยนแปลงหมดอันนี้เป็นตัวอย่างแค่ จิบจอยที่ที่เราจะเห็นได้เลยว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะหรือว่าเปรียบเทียบกับเรื่องที่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยอันนี้ยังจิบจอยมากนะจิบจอยหรือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงขนาดไหนเนี่ยจิตเราต้องเหมือนเดิมนะวิธีฝึกจิตก็คืออย่างที่เราได้พูดพูดกันไปในรายการอยู่บ่อยๆใช่ไหมคือทําจิตเนี่ยให้สบายนะมีสติคือคือ มันพูดง่ายนะคุณเตยใจ น, นึกออกไหมเวลาที่เราบอกว่าเออคุณทําจิตให้สบายสิคุณปล่อยวางสิแม้แต่คนอยู่ในหน้างานเนี่ยน้ําท่วมเต็มไปหมดชั้นเข้าของฉันจมอยู่ในน้ําลูกก็ไม่รู้ไปไหนสามีก็ไม่อยู่อยู่ตัวคนเดียวมันจะทําจิตให้สบายได้งไงท่านอาจารย์พูดอะไรโอ้ยทําไม่ได้อย่างนี้ก็มีเพราะว่าเราเรารอยู่ในสถานการณ์เนี่ยมันถูกรุมเร้าหมดทุกอย่างอย่างเวลาเราดูญี่ปุ่นเขาตกอยู่สถานการณ์เนี่ยตัวเองเราไม่โดนเนี่ยเราไม่รู้หรอก นะพอเราดูทีวีอ่ะคนอยุธยาดูทีวีเห็นญี่ปุ่นเขาเป็นยังงั้นเอเอเโอ้สงสารเขาเนาะตัวเองโดนจริงๆเป็นยังไงถามเลยคุณจะรู้สึกยังไงโอ้มันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันจากหน้ามือ <Okay. S 1> เป็นหลังมือคนละเรื่องกันเลย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเวลาเราถูกรุมเร้าด้วยภาษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าต้องเตรียมการก่อนอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนะว่าพอเวลา ภัยต่างๆเหล่านั้นมาถึงเราแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้เป็นผู้ที่ยังผาสุกอยู่ได้สบายใจอยู่ได้นะคือถ้าจะเอาแก้เร็วๆเนี่ยมันก็แค่ว่าแก้ไปตามสถานาการณ์นะเหมือนคนป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงอ่ะก็แก้ไปตามอาการ <S <S ใช่ไหมเราอยู่ในหน้างงานเราลักษณะเป็นอย่างนั้นเราก็แก้ไปตามอาการแต่จิตของเราเนี่ยอย่าให้วันไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้น นะให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่สบายอยู่ทำยังไงเรามีเครื่องมืออยู่แล้วนะที่เราใช้อยู่เป็นประจำทุกทุกวันตอนนอนก็ยังใช้นั่นคือลมหายใจใช้ลมหายใจของเราเนี่ย<ช>แหละเป็นเครื่องมือที่ทำให้อ่จิตของเราเนี่ยสบายนะนอกจากหายใจธรรมดาอยากให้ใจทิ้งเฉยๆยให้มีสติของเราเนี่ยอยู่ในลมหายใจนะจะด่าเขาจะว่าเขาอ่ะดูลมหายใจซะไม่ดา่าไม่ว่านะมีอะไรคราวไม่ดีเข้ามานะทใจไงให้สบายก็มาดูลมหายใจ นะครับเจริญอนาปาณสตินะที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยสบายอยู่ได้นะ้วก็เวลาอะไรมากระทบเนี่ยไม่ให้ไหลไปตามกระแสมากเนี่ยก็คือคุณจะต้องมีสติสติตรงนี้ก็คือมาจากลมหายใจที่เรามาสังเกตลมหายใจนะเป็นสติตัวเดียวกันที่เราจะต้องใช้มาคอยระวังหูคอยระวังตานะสติที่เกิดจากลมหายใจนะ เ, เนี่ยนะคุณตือนใจนี่ออกไหมคือเวลาเราหายใจเข้ า, าหายใจออกเนี่ย เรามีสติอยู่ในลมหายใจเนี่ยจะเป็นสติอันเดียวกันที่เราจะมาใช้ในการคุมตาคุมหูคุมจมูกคุมลิ้นคุมคุมกายคุมใจให้ไม่ไหลไปตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากเนาะเข้าของอพัดไปแล้วเนี่ยอย่าให้น้ำมันพัดใจเราไปด้วยนะใจเราต้องอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจนะเราถึงจะค่อยๆแก้ปัญหาไปได้เนาะ าบางคนอาจจะมาะหาพระบอกว่ า, าท่านอาจารย์มีสวดมนบวบไหนไหมจะให้น้ามันหายไปเลยโอ๊ยมันไม่มีหรอกเจ้าค่ะมันต้องแก้ไปตามเหตุถึงถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างนี้แล้วมันต้องแก้ไปตามเหตุนะต้องแก้ไปตามเหตุเจ้าค่ะเจ้าค่ ะ, คะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นมีสตินะเจ้าค่ะ<ช>แล้วอันนี้<ช>ก็คงจะเป็นอ่าหนทางที่ว่าเราจะต้อง ใจฝึกสติของเรานะเจ้าค่ะใช่ในีแล้วก็ทุกเจ้าค่ะมีมีคําถามมาจากเป็นจดหมายจากท่านผู้ฟังมาเราอาจจะไปต่อสัปดาห์หน้าก็ได้เนาะคุณตั้ใจอได้เจ้าค่ะเป็นของคุณวิไลจิตสังฆะจากร้อยเอ็ดนะเจ้าค่ะที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุตบาทซึ่งเราเคยคุยในรายการแล้วก็ขอเชิญผู้ฟังตามรับฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ถามมานะคะคุณวิไลจิตสังฆะก็ ตามรับฟังในวันเสาร์หน้านะค ะ, ะซึ่งเป็นวันเสาร์ที่22ตุลาคมค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องกราบนมัส ก, การอขอพระคุณพระอาจารย์ไปบุญอภิปโนโนุโรห์ลูกศิษย์เอกของพระเดชพระพุธหลวงพอ่อด ร, อรสะอาดทิตโภโสหรือท่านพระครูสิษย์ที่พากรท่านเจ้า อ, อาวาดวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างสูงเพียงแค่นี้นะเจ้าคะ <c oughs> แล้วก็อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้ายมจะกราบ มาขอเรียนรบกวนพระอาจารย์ได้เนตตาสักฉาในรายการธรรมารัารุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใหม่เจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบน้ำัสการขอประคุณและกราบน้ัสการลาพร ะ, ะอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพร้อมกันนะค ะ, ร ะ, คะรกราบ น, นะะ้ัสการขอประคุณและลาเจ้าค่ะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะ